ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณกำลังประลคถึงอภิญญาห้าประการหกประการซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายนเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติดำหลักปริมัติรงแปดประการได้สมบูรณ์ จึเกิดเป็นรูปอภิญญาห้าหกประการขึ้นมาแต่ว่าเป็นการนำเสนอท่านผู้ฟังในมุมมองที่เรียกว่าโดยเสด็จคือเราก็ให้สามารถปฏิบัติได้มีความเข้มข้นได้ระดับนั้นแต่ว่าถืออ่านยะคนยะที่สองคือทิพ ป, ประโสนิยความรู้ที่ทำให้ หูชิหรือสามารถฟังเสียงในที่ต่างๆได้แล้วก็ไม่ฟังได้ด้วยนะมันก็เกิดเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งว่าโลกเราเป็นโลกของสัมผัสประเด็นสําคัญว่าการรับสัมผัสเนี่ยเราจะต้องเลือกเองว่าอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูอะไรควรฟังหรือไม่ควรฟังในกรณีนี้ก็คืออะไรควรฟังหรือไม่ควรฟัง เรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าใส่ใจไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็ถามว่าใส่ใจไปทำอะไรคือฟังไปทำอะไรแต่ว่าลักษณะทางสังคมมันมักจะมีความเลื่อนไหลเพราะว่าเราก็ซึมเรื่อมาจากวิชานะก็ต้องฟังลองสังเกตในการแสดงต่างๆในโทรทัศน์นะครับ เรื่องที่ร้ายสาระนี่จะมีเยอะเราจะคิดนะจะมีสปอนเซอร์เยอะจะมีแฟนรูเยอะเลยเพราะว่าเป็นเป็นบันเทิงคดีคือเขาต้องการความสนุกสนานเขายกตัวอย่างวันหนังสือก็เหมือนกันหนังสือธรรมะเนี่ยที่จริงก็เล่มไม่ค่อยหนานะแต่บางคนก็อ่านไม่เคยจบ วันก่อนได้พบท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมีงานศพท่านเป็นเป็นหม่อมเจ้านะรู้สึกหม่อมเจ้าแ้่ก็าก็บอกตรงๆนะท่านบอกว่าวันวัวนอนกองท่านเนี่ยมีหนังสือนาโกวาดอยู่หนึ่งเล่มเป็นหนังสือธรรมะหนึ่งเล่มแล้วท่านก็อ่านทุกคืนแต่ว่าไม่เคยอ่านจบหน้าหลับก่อนทุกที คือยังไงก็ดีนะเพราะว่าให้จิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องวัฏฏมัสสะเป็นการเลือกฟังแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราฟังแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ฟังแล้วก็เกิดอาการแยกแยะเพราะว่าริบเร็วความสําเร็จความสําเร็จในการใช้หูของเราก็คือ อะไรควรฟังหรือไม่ควรฟังแต่มันได้ประโยชน์จากการฟังก็ฟังได้ประโยชน์จากการดูก็ดูแต่ถ้ามันไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์แล้วไม่คุ้มค่าก็ไม่ฟังซะบ้างก็ดีก็ทําให้นึกถึงเรื่องซึ่งลิงสามตัวเป็นภาพที่คงจะเคยพบเห็นกันทั่วไปนะ คือมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่ก็ยังสืบทราบไม่ชัดนะฮะว่าเป็นใครเขียนไว้กระลิงนั่นปิดปากปิดตาปิดหูแล้วท่านก็เขียนเป็นคำกรอนเอาไว้นะะว่าปากเป็นปูหูตะกล้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนาให้วใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราว มหมาความมันไม่พูดสับ้างไม่ฟังสับ้างไม่ดูสับ้างถ้ามันจะเกิดปัญหาแต่มันถ้าเพิ่มภูมิความรู้ความเข้าใจเหตุผลเราก็เลือกเลือกฟังเลือกพูดเลือกดูไปตามสมควรแก่กันนี้ยิ่งในย่านหนึ่งก็คือเจตวปริยานปฏิยาณที่กําหนดใจคนอื่นได้ ไอ้ที่จริงนี่ก็คือแนวจิตวิทยาของบุคคลนะเราเอาระดับแนวจิตวิทยานะคือของพระพุทธเจ้าพระหันเนี่ยท่านรู้ลึกสาวลึกไปจนถึงเบ้างหลังของคนแล้รู้สภาพจิตของเขาในขณะนั้นๆก็คิดยังไงในแต่ละเรื่องเนี่ยแล้วก็จะยังรู้ถึงความคิดของเขาโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสภาพจิต แต่ภาพจิตของคนเนี่ยคือถ้าลองสังเกตว่าที่มันมีแรงกระแทกสูงเนี่ยคือมันเกิดขึ้นจากความคิดดีกับความคิดไม่ดีคิดโง่หรือคิดฉลาดนะเวลาสอนเวลาท่านอธิบายเนี่ยจิตมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะเนี่ยก็ยจะรู้ตามความเป็นจริง แล้วเราก็ใช้เป็นเครื่องมือในการดูจิตของเราแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจคนอื่นคือคนเป็นนั้นมากเราจะไปคาดหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเนี่ยมันไม่ได้เขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นน่ะก็จะไปเปลี่ยนแปลงหมากให้เป็นมะพร้าวมันทาไม่ได้เราต้องยอมรับความเป็นธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นพอถ้าต้องการจะพัฒนาเขาก็พัฒนาไปจากอย่างที่เขาเป็นน่ะ เช่นสมมติว่าเราจะพัฒนาสายพันธุ์ของมะพร้าวของมะม่วงของมะขามอะไรต่ออะไรมันก็มันก็เป็นมะม่วงมะขามมะพร้าวอย่างนั้นแหละคือไม่ใช่เปลี่ยนสายพันธุ์ไปเลยมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสัตวโลกมันมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เพราะนั้นก็เรียกว่าพืชชนิยามเนี่ยมันอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขชนิดประเภท เ่าต่างๆและทีนี้ถ้าเราเออกมาดูเราก็ดูว่าจิตยามที่มันจิตมีกิเลสเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางจิตออกมาไม่ดีอารมณ์กรรมาฐานก็คือแนอจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูจิตพอจิตมันมันมากไปด้วยอารมณ์ด้วยกิเลสก็พยายามค่มจิตท้ามจิตบันเทาจิตจนถึงกระดับความรู้สึกเหล่านั้นถ้าทําได้นะะอย่างน้อยที่สุดก็บันเทา ในตรงนี้ถ้าเรามองถึงธรรมะกลุ่มหนึ่งที่ทรงเรียกว่าอาปเสนธรรมแปลว่าธรรมะที่เหมือนกับพนักอิงเป็นหลักในการควบคุมความรู้สึกของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตบ้างนะฮะกระแทกมาจากข้างนอกบ้างอะไรแต่แต่ว่าวางจิตไว้ถูกต้องตามสงควรแกกันหนีด้านนั้นโดยใช้ปัญญานำ สำรวนบาลีนะตงใชายกว่าพิจารณาแล้วเสร็จหรือบริโภคหรือใช้สอยก็ได้นะแล้วแต่จะเลี้งนั่นก็คือเรื่องก็ปัจจัยสี่เนี่ยมันบางทีก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเรื่องฝากเรื่องทองเพราะว่าเราขาดการพิจารณาขาดการกาหนดวัตถุประสงค์ขาดการมองที่เนื้อหาของมัน แล้วก็เดือดร้อนดิ้นรนในการแสวงหาในการครอบครองในการบริโภคใชส้สอยในการดูแลรักษาสารพัดทีนี้ทํำยังไงว่าในกรณีของการบริโภคอันนี้ออนเฉพาะในการบริโภคก่อนคือความสมเร็จประโยชน์ของปัจเจียนสีนี่มันอยู่ตรงไหนเราจะเห็นว่า อาหารก็คือขาจัดความหิวกระอ่ป้องกันความหิวใหม่ร่างกายมีกำลังมีเท่ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานตามฐานะหน้าที่ได้กินอะไรจริจริงไม่สำคัญอะไรคือยังนึกถึงคนป่าเคยไปเที่ยวในป่าที่อำเภอปันังสตาไปศึกษาชีวิตของพวกเงาะเสมังสากไก่ต่าง คือดอาหารที่เขากินแล้วไม่น่าจะมีแรงมากแต่เขามีแรงน่าทึ่งนะฮะคืออะไรก็ต่างวางบนหัวเขาแล้วก็ให้เขายืนได้นะเนี่ยก็จะเดินได้เลยเดินขึ้นสูงเดินขึ้ น, ข น, ขนเขาเนี่ยก็เดินได้มล้ก็เหมือนกับกุลีที่ประเทศอินเดียทำแอร์พอร์ตทำท่าทำสถานีรถไฟทั้งหลายเนะี่ยมันไม่น่าเชื่อของหนักเหลือเกิน่ะ แต่ว่าเขายกตั้งบนหัวเขาแล้วก็ช่วยประคองเขาไว้เขายืนได้แต่ก็เดินสบายเลยแต่ถามอาหารทีรับประทานมันก็ไม่เห็นมีอะไรประความสมัยประโยชน์ของอาหารก็คือโดยในย่าที่กล่าวแล้วใช่ไหมถ้าเรารู้พิจารณาโดยเหตุโดยผลแล้วบริโภคใช้สอยนี่จะเกิดการประหยัดขึ้นมาเยอะเลย แต่คนสมัยนี้ที่จึงพูดยากนะะแม้แต่เด็กที่วัดเนี่ยพยามอธิบายที่แจงยังไงท่านแกก็ไม่รับรู้นะ่ะฮะพ่อแม่ก็ทำนานเนี่ยแกซื้อของกินตอนเชี่ยงเนี่ยมันตั้งสี่้าสิบาทเราเห็นแล้วก็ตกใจเลยว่าโอ้เด็กเหล่านี้ต่อไปมันจะอยู่ยังไงมันจะทำงานได้เดือนเท่าไหร่จึงจะเลี้ยงดูตัวเองได้เ่ยเพราะเส้นยมมันสูงด้วยกัน กินอยู่รู่ราผู้ฟ้าต้องไปน่นเรียกว่าของสเสบตรูปแล้วก็น้มเอียงไปทางฝรั่งเรานั้นตัวนี้ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาดูจิตดูเนื้อหาดูวัตถุประสงค์แล้วจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ก็ดังที่กล่าวเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันสะอาดเรียบร้อยสามารถปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดสานวนบารีว่าถ้าให้ปกปิดแล้วมันน่าละอาย ทัานใช้กำว่ายัางความละอายให้กำเริบคือมันเกิดความละอายก็ปกปิดสมเร็ประโยชน์สะอาดเรียบร้อยสุภาพคือยังนึกถึงว่าเครื่องบริการของพระเนี่ยถ้าเรามองใน ม, มุมหนึ่งคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าสร้างกลุ่มคนขึ้นมาเพื่อเป็นการศึกษาของคนว่ามนุษย์จะสามารถจะอยู่อย่างนี้ได้ แล้วนึกสมัยรพระพุทธเจ้าเองนะฮะประทับอยู่ในป่าตั้งสี่สิบห้าปีห้าสิบเอ็ดปียังนึกอยู่จนถึงทุกวันนี้นะว่าก็อยู่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอดแล้วประเทศอินเดียอากาศไม่ใช่ธรรมดาหนาวก็หนาวสาหัสร้อนก็ร้อนฉกาจชกันเลยแต่ก็อยู่ได้ปริศนาเราก็อยู่ในป่าตลอด การต่อไปนั้นคือลักษณะทางอารมณ์ที่มันมันไม่มีอะไรจะดีไปกว่าคือว่าอดทนเอาไว้พิจารณาให้เห็นโทษของการไม่อดทนเน้นคุณของการอดทนแล้วก็พยายามอดทนส่งใช้คาว่าพิจารณาแล้วอดกลั้นตะแรงกระแทกที่มาจากข้างนอก มันอาจจะเป็นความวิปริตแปรปรวนก็ธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บการไปบติภารกิจการงานหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นความรักความชังขึ้นไปในจิตเรื่องใหญ่นะหรือตามปกติแล้วเรามากักจะมองไปในในแง่ของอารมณ์ที่ทาให้โกรธแต่คันตีเราจะพูดในเรื่องของโทสะเราลืมเรื่องราคะนะเรื่องโลภไป จริงเรื่องโทสะนี่อดทนง่ายกว่าราคาโลภาะะเพราะว่าลักษณะยั่วยุเนี่ยมันบรรยากาศมันอบอุ่นรู้สึกว่าได้รู้สึกกำนัดเพเลิดเพลินที่จมยินดีแต่ว่ายั่วยุเนี่ยมันค่อนข้างท้าทายแล้วค่อนข้างเสี่ยงต่อการเจ็บตัวต่อการบาดเจ็บต่ออันตรายหรือว่าคนที่มายั่วยุท้าทายมีอาวุธอยู่ในมือหรือว่า ร่างกายกำยำลำสันอย่างเงี้ยมันต้องเอาชนะใจโดยอัตโนมันแต่ลักษณะยั่วยวนเนี่ยมันกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะเนี่ยคือมนุษย์จะกระโจนเข้าไปหาโดยขาดการควบคุมขาดการบรรยะบัรรยังทีนี้ถ้าเราเทียบเคียงว่าโลกถูกทำลายเนี่ยด้วยแรงของราคะโลภะกับแรงมรรสตระในอะไรมากกว่า เรเห็นว่าเป็นแรงกองากราคะแรงของโลภะมากกว่าทำลายกันจนมากมายก่กองนะะแล้วก็เรื่องเรื่องเป็นนันมากเนี่ยเห็นว่าอย่างเนี้ยเวลายืาอา้อแย่งอํานาจยื้อแย่งแผ่นดินยื้อแย่งผลประโยชน์ที่แย่งอะไรต่ออะไรมันก็เรื่องโลภะนะฮะตลอดถึงอํานาจทางการเมืองอะไรต่ออะไรที่เขาต่อสู้กันในเรนโลกนะี้ เพราะอารมณ์เหล่านี้ต้องอดกลั้นอดทนให้ได้พิจารณาแล้วก็อดทนเอาเห็นจิตมันชักจ่ อ, อนแอก็พยายามเสริมความเข้มแข็งให้ก่จิตลูกราวให้เกิดความเชื่อมัน่นที่จะต่อสู้กับอารมณ์ซึ่งมากระแทกกระทันเรานั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่มันชัดเจนนะ ชัดเจนอย่างบ้านเราเวลานี้ที่เราดูว่ามองคล้ายๆก็ตรงกันคือปัญหาเรื่องยาบ้าปัญหาเศรษฐกษิจปัญหาการศึกษาปัญหาคอร์รัปชันปัญหาอดรจกรรมต่างๆอีสี่ห้าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็มองตรงกันแต่ในขณะเดียวกันทั้งๆที่เรารู้ว่ามันเป็นปัญหาแต่ว่าก็วิ่งเข้าไปหามัน เราลองสังเกตนะว่าปัญหายาเสษติดเนี่ยวิ่งเข้าไปหามันปัญหาเศรษฐกิจมีเป็นอันมากที่เราวิ่งเข้าไปหามันแล้วก็ปัญหาการศึกษาเนี่ยวิ่งหนีมันเราวิ่งหนีมันเฉยๆถ้าเราต่อสู้มันแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะ ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆได้เพราะว่าโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีเอกสารสื่อสารศึกษาค้นคว้าได้เยอะแยะไปหมดและปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ยมันถูกแรงกระตุ้นด้วยโลภปัญหาจักรกรมก็เหมือนกันนะะมนุษย์วิ่งไปหามันก็สรุปอะไรสรุปว่าไม่รู้จักเท่าทันจิตตัวเอง มาเริ่มคิดก็ผิดแล้วอ่ะทำไมไม่อยู่ใจตอนคิดละ่ะเพรานั้พรเจ้าก็สอนให้พิจารณาเห็นโทษเจตนและเว้นไดยอย่างปัญหาคาแผ่นดินบางเรื่องเนี่ยเช่นพวกปัญหาบบยามุกเนี่ยเป็นปัญหาคาแผ่นดินมันไม่มีทางแก้ได้ให้แกร้อยเปอร์เ็นเนี่ยไม่มีที่ไหนก็แก้ได้นอกจากแก้เป็นส่วนปัจเจ ก, กชนกรุงคน แต่ว่าแก้ทั้งแผ่นดินนี่แก้ไม่ได้เรายกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเมืองไทยเราไม่มีคาสิโนโเลยไม่มีบ่อนการานันต์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยถามว่าคนยังเล่นไหมมันยังเล่นนะคาสิโนโมีรอบบ้านนะรอบประเทศเลยข้ามไปนิดเดียวไม่กี่นาทีก็ก็ไปถึงเนะี่เดินเท้ายัางได้เลยเพราะมันก็อยู่ที่ว่าคนต้องสร้างจิตสํานึกต้องมองเห็นโทษ ด, ด้วยใจตัวเอง มองเห็นคุณก็การงุเว้นจา ก, กาบาเยามุกเหล่านั้นด้วยตัวเองจึงจะแก้ปัญหาได้มันเป็นปัญหาคาแผ่นดินลักษณะของปัญหาคาแผ่นดินนั้นวิธีคิดก็คือว่าเมื่อทำลายไม่ได้เนี่ยต้องใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วต้องควบคุมไม่ให้มันลุกลามให้ได้ถ้าไมอย่างนั้นมันกลายเป็นหอกข้างแคร่ที่นอนสยดสยองอยู่เร่ วิตกกังวลอยู่เลยทีนี้ในกรณีของความคิดตรงนี้ตรงตรงนี้ต ร, ตรงตัวเลยนะฮะหมายความว่าจิตของเราเนในขณะที่จิตเรามันเดียวนึกตึกนึกไปแล้วมันจะเพิ่มกิเลสแล้วก็บันเทาเป็นการมองในแง่ของโทษว่าบันเทา เชนบะเหนียวนึกถึงด้วยความใคร่ด้วยความโลภด้วยความมาคาดพยาบาทด้วยการคิดจองล้างจองผลาญน่าตระหน่เนี่ยทงรูป ม, มันได้อะไรขึ้นมายิ่งเดินหน้ายิ่งเสียนะทําไมไม่หยุดจะらะก็คิดที่จะบรรเทาคือเราจะเลิกทีเดียวเนี่ยมันสู้ยากนะคือบางทีเนี่ยมันยิ่งห้ามไม่ยิ่งยุ่ความคิดมันก็ต้องเอาเรื่องอื่นมาให้คิดแทน อย่างยกตัวอย่างเช่นเช่นเช่นบางทีเนี่ยเราเรานอนไม่หลับไปคิดฟุ้งซ่านไปน้นไปนี่ไปนั่นอะไรอ่างเี้แล้วก็หมุนหารายการวิทยุธรรมะสักรายการหนึน่งฟังเบาๆนะแล้จิตมันเบี่ยงมาอยู่ตรงนั้นตอนต้นๆก็อาจจะต่อต้านผสมควรแต่พอจิตมันเกิดจับแล้วเนี่ย ประเดีย๋ยวจะสงบแล้วก็หลับได้โดยไม่จําเป็นจะต้องไปกินยาให้นอนหลับอะไระซึ้นเปลืองเงินทองเปล่ามันอยู่ที่การฉลาดในกระบวนการของจิตพ่าจิตตามปกติแล้วเนี่ยมันมันคล้ายๆกับเราขับรถเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นตรงนั้นว่าต้องชะลอต้องเร่งต้องหลบต้องแซงต้องถอย ก็ไม่รู้จะว่าไงต้องหยุดคือคือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าตรงนั้นจะทำยังไงที่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะแนวเจโตปริยานเนี่ยนั่นก็เป็นแนวที่ศึกษาจิตตัวเองก็จิตคนอื่นแล้วพอถึงคนอื่นเนี่ยทำยังไงว่าอย่ า, ง, ายงน้อยที่สุดใจเขาใจเราเนี่ยคิดได้ตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ยังนึกถึงเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือเราไปในที่บางแห่งอาตมาเป็นคนไม่ค่อยคือไม่ค่อยไปไหนเป็นไปก็ไปเป็นกิจจลักษณะเช่นว่าก็ส่วนใหญ่เนียจะถ้าออกวัดแล้วก็ไปบรรยายอาปรุงอะไรเนี่ยแต่เรื่องอื่นไม่ค่อยไปแต่ก็มีงานหนึ่งที่เราต้องไปก็คืองานศพโดยเฉพาะรถน้ําศพกับเผาศพ คนที่รู้จักกันก็ต้องไปเราลองดูถึงว่าในปัจจุบันในมันเปลี่ยนแปลงไปอย่ะเสียเยี้ยตัวอย่างว่าเราขึ้นไปพอศพเนี่ยไม่ดูดำดูดีกันเลยนะว่าผู้ใหญ่ควรจะขึ้นไปก่อนนะผู้ใหญ่ก็ขึ้นก่อนแล้วก็มองเฉพาะชาวบ้านเพระมองพระมันก็เอาเหมือนกันเนี่ย บางทีเลนน้อยๆ น, น, นี่แซงพรวดขึ้นไปเลยไม่ดูใครเลยนั่นคือแสดงให้เห็นว่าขาดจิตสํานึกที่จะรับผิดชอบต่อสถาภาพของตัวเองรับผิดชอบต่อเราซึ่งอยู่ตรงนั้นน่อยู่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมจะทำยังไงที่ให้เหมาะสมแก่สถานะตรงนั้น มารู้เท่าทั น, นจริงมองปลาเดียวก็รู้นะว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนที่เรียกว่าเหมาะสมคือไม่ถึงกระแสงผู้ใหญ่แต่ไม่ถึงกับไปอยู่ข้างหลังเด็กนะคคือวิธีของพระเนี่ยพระเจ้าทรงวางไว้ว่าสมมติว่าเราเป็นเราอยู่ระดับทางกลางนะะถ้าเราขึ้นไปนั่งข้างบนไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเรานั่งข้างล่างก็ไม่ดีอีก เพราะไปเรียกห้ามอาสนะผู้น้อยแต่เราเขึ้นมานั่งข้างบนเ็ไปขวางอาสนะผู้ใหญ่มันก็ต้องรู้จักตัวเองชัดเจนว่าเราควรอยู่ตรงไหนลหะที่เรียกว่าเหมาะว่าควรในกรณีนั้นๆนนเนี่ยอย่างในแวดวงของพระถ้าเรามองในแง่พรรษาเนี่ยบางทีเราก็ต้องสอบถามกันบางทีทางราชการเนี่ยเขามีบัญชีมาเลยเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราร เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะะแต่ว่าการวางตนให้เหมาะสมโดยเฉพาะวางใจให้เหมาะสมแต่สถานะที่เราเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กับบุคคลกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆว่าฉลาดในกระบวนการของจิต ตัไหนควรจะทำอย่างไงจนไหนควรจะหยุดตัวไหนควรจะถอยตัวไหนควรจะชะลอตัวไหนควรจะหลบนะตัวไหนควรจะแสงขึ้นไปแต่การตัดสินวินิจฉัยไปตามสมควรแก่ดกรณีและที่สําคัญยยิ่งคือเรามองคนอื่นเขาด้วยเราทําอย่างเนี้ยคนอื่นเขาคิดอย่างไงเขามองอย่างไงเขาจะรู้สึกอย่างไรสมมติว่าเขาทํากับเราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอย่างไง เรื่องบางเรื่องมันเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นแบบแผนเป็นหลักการที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านวัฒนธรรมของมนุษย์ตนนั้นหังการปฏิบัติตนโดยรู้เท่าทันกระบวนการจิตตนและประจิตใจบุคคลอื่นอย่างน้อยก็ค่านิยมของสังคมของท้องถิ่นเหล่านั้นและไม่ทำตนเป็นคนขวางโลกขวางสังคมได้เนี่ย ก็สามารถอาศัยนยะตรงนี้ได้มากอยู่ทุกฝั่งทั้งหลายแต่รถบัพปิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเ็นงท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอนําไปบูนในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี